U, อายุพอแรงเลยก็เลยอายุมันย่างเขาแปรรูปมันแปรรูปอย่างนี้หาเดือนหกเดือนแล้ว อ, อะไอาจจะไปซื่ออะไรก็ได้หรือจีบหายตายด้วยเรียกที่บายยังสิว่าออกแต่อายุห้าเลขเรขกพับพับบนบัาเบื่อเบื อ, บอมันคัดของตอตอสุขจิตมโนต่อจะฟังกั น, กนเลยนาะ มันก็าสมัรถึงเพราะชัวด์แบบ ง, งานไฟไหม้เฮือนไหม้สร้างที่ดินมันนั่งไฟไหม้เหล็กมันมายั่งในที่ดินไฟเบิดลอดหลอนกดขแขนกดขาของขพอห่อแม่หน้ากุงนึกตา้ายซอยซ้ายต่อสายผูกพอต่อแขนไฟเบิ้ลตัวก็เนี่ยแตกกันแตกข้อแย่งข้อสร้างกันแต่ไปอิปุ่นกับปันพวกแตกไปอ่ปุ่นไม่อยา่างเลขผ้าหิ้วแตก มันก็มีเงิน ไ, ไปไปในไนี้เสียไปครบจระเจ้ไปเป็นกีคาเขาคนนี้โอ้ย่อขยักดีเรื่อมั่วเนี่ย้ยยมยไปดีแต่ทัไม่รักมันังไม่น้อยเจ๊ตบเต๊กไทยต้มท่เรื่อยเนี่ยเล้าต้มเหล่าเรือยเนี่ยแก้วตบแก้วเรือยเนี่ยครบม่มดแ้วในโลกนี้ โลสงสารเกิดมามาพบแต่ขั้วบวมหวานมอเทียงมาพบแต่สิ่งที่ผสมผสมเทียงสิ่งที่ผสมผสมน่ะมันเฮ็ดไทยเฮ็ดลาบในวตารสงสารหนึ่งอยางสองหยงสามหยังสมผสมว่ามียักแนวจะเกิดมาเนี่ยมาสมผสมอายุว่าถ้าคำว่าสมผสมไกจะถไกมันใก่ตายระบ้อที่สมผสมแล้วลวงไปท้าด้เหก่ตายเท่านั้น สวัสดีปีใหม่พระสังสวัสดีตายยังได้เขาไก่ตายเขาปีนายพวกบอกกันไปยิ่งข่้นเลยะตัวตัวให้มันเปลี่ยนหมันตัวให้คิดใจของเป็ี่นหมันสวัสดีปีใหม่พระสั์ส่งความสุขพระสังฆ์บทีไม่ส่งความสุขตายยังซาีิปิทุขาไม่จทุกข์กันพวกพระสุขสุขอะรับสวดาบันสุขกฐาข้าม่สุขอนาข้ามิ่สุขพระละหันพระพุทธเจ้าที่จาเป็นทุกข์ไ ซุก ข, ของกรหับไม่โยซียาซุกเกิดแต่ความ่รัพถึงยางนั้นกับโแน่นอนทุกเกิดจะจาซับบริโภคเพาดีพงามนันกับโมแน่นอนทุกเกิดจะควบเป็นนีเป็นศีลเพื่อไรอะไกับโแน่นอนทุกจะทางานที่ปาริกาโทเป็นทุกน้มาอทีว่าทางานปาริกาโทษก็เป็นทุาาทนนกจ๊ะ สุขแม่เท่ามาพุทธศาสนาแม่พระพุทธอยอดของเฮ้าอ่ะสุขถึงพระสวดารันสุขถึงพระสัท่าข้ามี่สุขถึงพระอานาคข้ามี่สุขถึงพระอรหันนี่จักเป็นจังจะจัดเป็นสุขเก้าวนหะน้าเรือนอนพวกพระเจ้าบรนั บ, บวรนับขบ่าวบางที่มันโมแน่นอนซึ่งใลบวโมแน่นอนซึ่งมันเป็นทุกข์ก็นอาซึ่งแล้่โมเที่ยงซึ่งมันก็เป็นทุกข์ก็นอน ผูสัสวบานะมันเที่ยงแค่เที่ยงแค่ที่ติดเขาสูาพุ์าเนี่ที่ติมีสามาถมีอิสรสี่สิบคข้ามีมีอิส ร, ระเอลสีาา่สิน้าข้ามีมีอัศ ม, มีอิสราสี่สิคนมมีอิส ร, ระสี่ไปหลังนอกขานาดบเนีน้นนอนเป็นน้ำหลว้นเป็นคนหลาถอไรอ่างเงี้ยโนียโมน้อนหลายบางที่บางที่กับเซนซับที่รักชานบางที่กับเพศชั่ลกายบางที่กับมนุษย์บ้าบางที่กสวรรค์บา้าจำขนาดเราบ้าง มันบอกขึ้นซูเปร์เาโนู่เร์เานโน่ะสวสดินน artists, บาลนะพ่ะเชษฐาอยากวงระเบดเส้นหาพ่ะชษาอยากเลียนอับายยมุกพ่ะเชษาอยากเรีนเลขเรีนหวยเพราะป่าน้ำรายท่มทิมอาเอาไว้น่ระชษายากเอาขึ้นมาอีกเห็นว่ามันเป็นท่างชิดหายดิง้งเดียวเราเห็นว่ามันสะเป็นท่านกระเริ่นเ่าเห็นดิงว่ามันจะคิดหายทา่านหเดียวมันกระเบยรรับส า, งง า, ายกเลคือเชินหาที่จวงระเบดิดม่นกับ แป่ว่าเปิดประตูนราส่นมันเห็นดิงล่องแล้วมันก็บาใชีไดายอยากร่วงระเมิดบันสมมติว่าเห็นดิงลองแล้วมันก็จกร่วงระเมิดเตีสิ่งไหนที่เฮาดีเห็นดิงลงแล้วเช้นไฟแดงๆสิเขาบอกสงสัยว่าสิบปหอบเอาทมันจะเทียว่าเขาเห็นดิงลองซัดแล้วเส้นอุจจาระอังสิตคือสันถ้าบอกสงสัยว่าสิบแปกอบมากินท่านี่เขาตีอประพฤติยากว่าระวังเลยจะประกอบอุจจาระมากินเนี่ยสันเท่าไรระวังบ่สัน บ่าอ้ไระว่าได้ระว่างระว่างเน้อจะสุไปจับไฟแดงรุ่นเน้อว่ากันจะไปหอบเอาสานไฟเด้ออันแดงร่นรว่นนนกก็่ได้เตือนกันนาะว่ได้ระว่างสิ่งนี้ที่มันคายไปละมันเียนโทษก็คักกรว่าันมันสิรัฟัยอย่างนีอย่าง้าเห็นดีเาป็น่าเเป็นประโยชน์ละเ้าก็ไม่ใช่อะไรปาะเทศละอันนี้มันเห็นว่ามันสิได้อยู่ในที่เดียวเนี่ยกมันสิเลนเนี่ยว่านถมันไปทางรัฐแล้มันะมันเสียทางรัฐมันผลบวา บอกขาหว่าเสีทางัดชิ้นมทางรัฐสินหาขันวิ่โรควิ่สินหาหมดแล้วคนไคนมูเขาทักก็พวกเขาว่าจังไม่หรอกนอนก็าว่าสนุกเพราะว่าพรบงนีเรข่าวพะปิดประตูเว็นไ่หลอกท้งรายกันอนสบายทหารกับบงไม่ตำรวจกับจังมหนกดทํามของคติดเจ้าเก่งกว่าในทาไปสไม่โจมตีได้ รวยไร่คืนฟ้าตบเสนาจะคลองหรือว่าเบียดเบียศาสนาพุทธไปตลอดดอกไม่ใช่เสถียรทุนหรอกผู น, นีบนบ่บ้าต้าสงสัยวเครอลงสายศาสนาพุทธใครสีวาา่วันอย่างไรกา้างบเสือผมข้ามาบอกเขาบ่าเสือรับที้ได้กับมันมหมแตกตื่นกันย่างน่นย่างนี่แม่กวนออกควรอินอย่างนั่นย่างนี่พระอารามขี่งขี่เก่ง โมฆะน า, าสรู้ว่ า, ม, า, า, ม, ามัพลทหรมาใช่มกี่กงเก่งตาอยพระนีบางคนใช้เช่าว่าเป็นพลทหารตื่นตื่นขี่จของขี่ต๊ะโกออกแล้วห้องโปกโปกคือฟาไอ้สอยข้านาค้ารังอะไนี่นปืนตอกออไปเห็นตนแค่น้เาเล็กตนแค่นน้นว่าักทับตายแนอกก็ตออกกับฟูเปลี่ยนบ้าเพรแห้ง เปลนบายน้ำฝนยักเตียเหาจะพัดนุ่นแต่คาวาดกร็ไม่ได้เป็ี่นบ่ายได้เอาหดนี้เสียนั้นน้ำฝนบาทหนึ่งได้รัชการที่หกราชการที่เจ็ดนะเสียเินน้ำฝนบาทหนึ่งไปซื้อหวยรัฐบาลก็เห็่ถึงยักษ์โตยู่พ่อไอแม่กูเสียไปยุ่งฝนเศร้าหนาเหรอแตยังเลี้ยงกูง่ายไปสั่นอ้โหหนูเหตุให้จักษ์เตียไม่ได้เสียหอนบบยหอนวิ่งหอนวัดหอนเบือได้เห่าไล่ไล่ลี่พวกนี้พามันนักเลงเนี้ยนี่ กูมีนาเกลี้งเนียนี่สมัยนั้นม like? ันมาซักข้าไล่พระพาเจ้าโอยมาสั่นเทียวไว้มาสั่นมึงมาสักข้าไ่มาซักเซักแขนซ้า่าสั่นมาซักแขนนี่ซ้า่าสั่นไมเพเป็นผู้ผู้ใช้าสั่นกูจะ้บอทงหลังมึงคือผู้ยิ่ง่าสั่นนี่ใส่มึง่าสั่นมาไม้ผู้ใช้เทียวไว้มาั่นงมึงมีเงินกูจะให้เออแต่คนปั๊บว่ามีเงินเนาะว่าจะือว่า ได้เี่มันก็ซักสามเสริมเนได้ไดี่ยสามเสริมก็ขายาสักได้เงินนะเช็ดทิพยาจะต่างเอ้าขายบุ้งนี่ห้าวบุ้งเนียายได้เจาาา้าขายใหม่ๆหล่สั้เมืองแตว่ามาซักกูผิดซักมาสัู่ผาข า, ามึงซักที่เชี่ยไวไยะอะไรั่งบะเขียวบะคงแยงดอกซักออก ง, งา ม, มาสั่นุ่งเสียเสื้แขนตบนี้สั่งละกั เขาก็เห็นแขนได้ไล่เนี่ยเขามากพันตัวผู้สาวนั่นจว่าเขามากว่ามากหรืว่าตัวของว่าเอาเป็นบ้าตัวของว่าเอาเอรียมาซักน้ำมือพาซักแล้วก็อุปสรรคหาย้ั่งเป็นเนีนมหานี่กายอยู่เนี่ยเนียนมหาเนอกายอยู่ช้นเทออยเจ็ดิบเ็ดเจ็ดสองเป็นมหาเนืกายช่องเทอดเจ็ดสิบบวกช่องอุคเจ็ดสิบเอเจ็ดสิบสอง เก็ดชิพเอสิอเกสองเก็ดสามเก็ดช SO e ิพเอสไหม้ันซีรอยเก็ดิพเอเป็นหานตายเก็ดิพสองก็เป็นเน่นไงเก็ดิสามก็เป็นเน่นไงเก็ิพส่มาซีิตัวหเดือนเรื่มาบวชเอกค่ำเช้าเนี่ยได้ไปแจ้งงานแจ้งงานในลูกคนนึงแจ้งงานเข้าไปรักพอรักแม่เขารอกแต้งงานในลูกคนนึงก่อนเย เลิกกันเลิ ก, กันไรได้กันแย่งงานอีกเลาะสร้างเมืองรอดอีกเดีวลูกตามพ้นเดี๋ย่ยแม่บ้านก็เลยตายแม่บ้านตายก็เลยหมอบไปหมอบหน้าหมอบเท่านหมอบส้างบ่รกของเต่าให้เอาแม่ปลาแม่ปลาก็แม่ปลาเป็นแม่มันแม่ปลาโตปยุหันแปปีแล้วเค่นจัง ก็เป็นจำว่าเอาผัวคนเป็นเช้าแก่อยู่เขาแก่จนอายุสามสิบปให้แปลหน้าปะเคียลูกโตนะเจ็บๆเจ็บๆเจ็บๆก็เอาผัวเป็นแม่มันอะได้มาเอาผัวไอ้ปีหนึ่งค้นคนเป็นมาคนหมาดขาวป่าใช้เงินก็มีสองค่นทนาลยอย่างแั้นกู้ชาติเขาจก็กลายเป็นให้กู่ชาตมือหร่่ะ พ่อเมียตายเนี่ยตัวเาลยมอบงานมอบการมอบไดป้าป้ า, ปาโชดีป้าเนี่ยงทงว่งาเรลุกกระองทังว่าเรา ล, ลกล้านร่า จ, จะโศกมาดีต่ว่านองตายเท่านั้นตัวก็าเลยนี้มาบวชตัว่าบวชทั้งวเราแปดสิบหกตว่าทเก็บเมอปีหนึงเมียตายแล้วแล้วพรแปดิา แฟนทิบซีตายสงครามอินโดจีนแบบทิบหาตัวไข้มาสังเกตบ้างมันถือเหตังไงเม่ยมันตายไวล้รักษาเสียหายหน่อรักษาเสียหายตลอดเลยเห็นแม่ห่างน้ามายมากมันถืไปแฉแนแฉแนนลอยอ่ะไม่อดซ่อนบ่าไปผ่าผ่าบ้านุ่งผ่าตลงยีกนี้กกโลุกโลก ไปน้ำมูคูถเถ่าฟังเสกฟองดั่มน้ำมูคูเถา่ามอคาน้องมมนม่วงคืนว่าไปเที่ยวเล่นอูชิบุชิอูสางลวกฟังแห้งแล้วอะไมันบะมัน่าเทียงอะไรอูโชคดีได้นี่ป่ากับป่าเับแม่มันนีเพราะลุงกเปเพราลุงในนับท่าดีอะไรแม่ป่ากับแม่ป่าแม่มันนีไปให้ไปหน้าแล้กันเจียเสียเี่ยบเปลี่เปลีเขาลุงกับอะไร เขาว่าฮักลูกกูเขาจะไปฮักไผ่ไปท่านทามันลูกกูเป็นผู้หยิ่งในี่กูกะิกเป็นห่วงมือเป็นของกอยบักกับน้อมมันสามปีบักไงเขาเผาโรงเรียนแล้วพี่ก่างทมันจ่ายตกลงให้มาบวชส่วนพอนัลนมีอะไประวัติวัดอ่านทามันละเอียดัเนาะว่ต้องวาอนาตลมันสะมีอรประวัติวัดอ่านทามันละเอียดลนะเอียดเนาะ ประวัติยาอพิสดามเนี่นนะคนอ่านประวัติทองเข้ากั น, น้าตาบะไรอะไระเพราะแห้งคนคนนั้นทิ้บมาละเก้งเติบอ่านขันว่าจะนําเรื่องอะไมันถือว่าเรื่องนัน้นเป็นว่างขั้นขันน้นำเรื่องอะมันถือกบน้าตาบว อ, อคนคนนั้นทิีบเกงเติบเก็บเก้งเติบคนนั้นจะน้แตาไรต่ผู้ชายแท้กับน้ำตาไรพานทุกข์มากเนี่ยเหียวขึ้นร่างแล้วเพราะอยากว้าซักคคสคกเียนไปทา้งนา น, นี่ย็พ่ออยากคว้าซักสคกเีน ถ้านหน่อยควายกายถ้าร้ายคว้ยเวแย่วมาเกิดในวัฏสงสาองรอีกราชนะพญพาลวันเดียวปัจจุบันนีกยิ้ปัจจุบับบนนันทำมันในทีรุดพ้นกอบกอกวุฒิเศษในรูปธรปจริงปัจจบัติรรมเปจริงรุดพ้ตามจริงทุกต้วงมาหนนีระมาณเถิดลมหายใจเขาท่านเห็นข้อที่เกิดขึ้นแปรปรวนแต่สลายเดินทักเขาหลบเดนทักว่เ า, าเห็นพร้อมกับคลองคอของลมหายใจเขาว่าฝุ่นล่ะ ก้าวหลูดไดทราวเห็นพ่อเขาล้หายใจเขาออกทีท้อนโอภัตทานพที่ว่าท้อนไตโลกธาตุพ่อกันอดีตเม่อไงงโลกโลกที่ล้งไปแล้วอนาคตยังโลกจีบวาน่าถึงปัจจุบันยังขึ้นโลกกาลังเปยดูออดีตเม่ยังผู้รูุดที่ล้งไปแล้วอนาคตยังผู้หูว่าถึงปัจจุบันผู้หลุที่กาลังเป็ยนดูผู้หูุทั้งสามการนิ่งโกลงสู่อนันตาตธรรมะมันชัว่มันบุกคน ขเขาเริ่มท้าใจเขาปัญหากระหน่ยลงการปฏิบัติเพื่อว่าไหนคนนับถือเรือดีอยากดังนะฉันมันกับปัญหามันก็ร้ายเ่นลิ่วดังอานว่าดังพระอธิยเจ้าดังออกนอกคนดังออกนอกโลกมูเฮ้าไงดังงายกินขนมกันเออดังง่ายกินขนมกันดังง่ายใบห่าร่อยใบละร่อยเนี่ยกัน ดังงาดังนุ่มดังรถว่านโวว่านวคนี่ขีรถลาคขาวทังแพร่งนั่งทั้งนาเสดหูดังเปงเงียบเงเงียบเมียนบอกรรมฐานเทาสูงเลม่กูก็เสืสูเมียนบอกมึงสบายบนทักใส่นาไม่เคยได้ยินบอกนั่งนาเสดเจนอก นั่งนเส้นรสูบยาซองให้หนาที่บเบิ่้าหรอเฮีเส้รหม่อหลังคนก็พิงเงีงเงีบนับงรนั่งรถเด็ดนั่นั่งรถขั้นหน้าหลามสองหามนะมู่เพ่อนสูเนียเพ่นนะย่าจเก้กูเไม่รู้ไมแมบอนักเสียไม่เคยพ่ายงามตัวหนังสือพิมพ์ตัวหนังสือออกนอกเส้นเรพิ่นมาพ่ายหลับเพิ่นหิวอ๋อเพิ่นคล้องแขนเอาขึ้นผู้บ่าวนี่ พันยามันมันพันยามันคือเนี่ยพอคนมาจากฝ่ายเรากรบมทานเมื่อถือใจติเท่าสีเน่ะเท่าสีบนมันเอาเอายามข้องแขนในวันนีเป็นสะุ่นตะกี้พ่าอเอาป้อมแลยเนี่ยว่าว่าให้ยัยยุเท่าสีนแล้วองสมเน็ตพระปลอมราช่าเพิ่นอันปั้นเขาเทมให้อันก็ให้ผู้ผู้หิ้วเข่าแ้วได้กินปั้นเขาพร้อมพระปลอมราช่าอันนี้ให เขาไปใน้บ้านไปเยียบมาน้อยเขาตายใ่หรอ่าสนาะนจะพุ่นอนนมันก็หอยแกนไม่เกี่ยวกับเขาไอ่อมป้อมอือึกใจเข้าเยอะตอนนี้นนี้ว่าคนจะสู้แล้วบางเท่าจ ต, ตายแล้วว่าเอางามหอยแฉนอะไเ็ดจัชีอังชีอวดตุสาวรอยก็มันเบื่อห่อสันไปไาว่าเราพอแม่ย่งยากสันบ่วแถวขายดีหมดฝึกใจเข้าเยอ่เราพูดเท่านี้เา้าเข้าวะไปยัง ค่อย่อยกันดูนเอื่อนเท้าคุบาคบารตห้ามนั่งน้ำกันยุคพระพุทธมานเท้านอน้กันใจซาเนี่ยซาคไปห้องยังว่าสีดตายยุหันบอมันยืนดวนแะได้มันแข้งนันตัวสัตว์ก็ไปสัตว์ประัเป็นฉีดยางซาตายักดอนี้ไปเลยสัตตัวแกตัวแกไปตัวพะโลกแกตัวพะโลกซาคตัเฮ็ดบอกน้ำขนโมะโตาจดิษฐย่างวเราน ว่าห้ยเครียหรอกวาเอาถ้าวาไหามันก็บ้าห้ยโตก็บ้าสร้างเพื่นก็บ่าสร้างตัวเจ้าบ้าใครเดี๋ยไปหากันยอดเท่ากันเรื่อยอยู่เออว่าหน่อยน่อยเอาไปเยี่ยมว่าหน่อยเขาตายไปได้เลยจะคุ้นมาสั่งก็ไปผิดฉาบถ้ามีกลมมาหน่อยเขาได้่าสั่งแาหน่อยหัวเล้เราเพื่อน คขาหันแย่หันแย่หนีหันหลังมาได้ผู้เท่าหันโยหันกรดีเลยผู้เท่านั่นบ่าโยหันนี่ยคนเป็นข้อมโนเยนว่ามั น, นคอยไม่หั น, นคุณล่ะขึนผู้คุณละคนที่เป็นข้อมโนขึ้นผู้รอยู่มีผู้เท่าโ น, น้นโยหันด้วยคอได้หันผู้เท่าสีมีประโยชน์เยอยผู้เท่าผู้เท่าน่้นูน้อนอย่อ เขาท่านคนเขาเขาในป่าละมัดเรียบรวดยังจะไปไปหนาฝรั่งเนี่ยก็ไปหนาอันข้าวมือเนี่ยแล้วนเนี่ยก็ไปหนาอันข้าวเมืกเนี่ยเรียบรดเนี่ยก็เพนตูวคนตัวเพิ่นเอาไม่ไปขายเอาไปขายยังไรกับงวัดงว่าเพิ่นได้แล้ว่กเพิ่นเอาไปขายเพื่ี่ไดนวัดดีว่านยังฝันันสัน่มีเนี่ยว ตำรวจมันไปตายก็ใช่พระสันคำว่าเพื่อนเอาไปขายเราสนก็มีอยู market market market market market oh, ่คู่วันตัวมนเปลี่ยนตำรวจสาวบอกว่ากับพันด่านตำรวจเพื่อนับพ่อของไปทัดต้องผมบอกว่าเพื่อนเอาใช้เครื่องบินไปบอกว่าเครื่องบินมานร้องไส้เหรอมันปฏิพันห์คุณทันตัวไปว่ามุ้งวินเนวะตัวไปรักไปแล้วตัวรักไปแล้วแบทิมเแค่เพิ่นมันบ่เถือกพระสันทวารที่เขาให้ให้ย่าให้ยุ่งตัวมาลอยเอาไปแล้วแบทิมเแค่เพื่อนมาสัน เอนที่ไปรักัไหน็ตามเพ่นรักไปัดเพ่อนเป็นวัดบ่ตำรวจมึงนมันตาแตงไปยู่ใส่กันดรทุทาคงตัวก็จะหอไปได้บ่จะหายตัวไปได้บ่ก็มีแนว่าบาตายถรงเขาว่านี้ตัวเนรักใหม่คูู่รักปแล้วดเพื่อนนี้ยาเยหมนวัดเพ่นวัดเลยเนรักใหม่ไปเพื่นก็สิรวัดไานันบอกว่าสนาว่าี่กมีแนว่า โตไปลากแล้วมาตู้สะพ่นนะหนูกลิ่นอ้อยเช็ดไว้ให้ตุนนะเพาว่าให้เขาให้มเียงอะไเดียวเนี่ยเใครดีเนี่ยเช็ดเพ่งจะเชดวัดเพิ่นหนามือเกากันอมัดไฟสมัดไฟระบาดกูสีกับมืเกออายุคนถือมันเช็กบ่อขามันเสร็จชุดอไรได้อายุมัดเช็ดชุดาเพิ่นน่ะ ออกมาต่างแื่นตัางต้านกวคอนตุนลกปูมันนิพ่านเพิ่นก็เล้มาเพิ่นว่าเป็นภาวัดหลวงท้ายัง่สั้นเป็นพาวัดลกปูมันนิพ้านล็อกปีปูมันนิพ่านท้ายังท้อยังยูใตเสียแน่คููบ่านอาจารเนื้อเพเสียงเร็ตเท่าอยู่ลปูมันนิพ่านนอยังเป็นเสียงเซ็ตเท่าล็อกปูเทพล็อกปูมหาอยู่เพิ่นออกเงื่อนแล้วเพิ่นออกเงื่อนน่ะ เงินนำเงินบนะเพื่นตานี่ใช้จ่ข้อกลัวคิดเอาบ้านตัดเอามืองเเพื่นพวายยังไง้างบ้างคนสิบเกบป่าธนาพุทธภุมเฮ้ย้ไม่ได้บอกกันยังเชียเห้าว่าป่าธนาดอกพุทธภุมเพราะ้คนทุกข์ในชาตนี้เอาดอกเขาดำดินินวนมาอะไรก็ยาหัวมันนกมันก็บินได้นกันพาคนปืนเารอกกมดินได้นกันนั่นก็ พอีกหม้อหลองดเพรแกงเขน้อมสมแม่งอ้ทูกับไต้หนาได้คืกอย่างย้อนมาได้กับสรางห้าวว่าจ้า่ไม่เชื่อหรระเจ้าเป็นมาข้าพเจ้ารูปอดีตตามเปจิงของอดีตข้าพเจ้ารูปอนาคตตามเปจิงของอนาคตข้าพเจ้ารูปพรเจ้าันตามเปจิของพรเจ้าันข้าพเจ้าวัดที่อยู่ในเงื่อนทั้งสาม เจาลูสมุทตามไปงของสมุดขาพเจ้าลูวิมุตตามของวิมุตข่าพระเจ้าจึงวิศอยู่ในเงินทั้งสองนะครับเมื่อข่าพเจ้าทิศอยู่ในวิมุตสิ่งเหล่าข่าพเจ้าว่าลูวิมุตวิมุตแปลว่าความรุดพ้นสมุติแปลความสมุทใส่ตังสมุทาหสสมุทปนตายใจจคู่สมุติ ใจว่าไม่มีสัตัวใสซื้อให้จากองหรือว่ากือเ้าของใจใจก็แล้วกันคำว่ารู้เท่าใจเขาเป็นทุกไม่ใจนอกจากใจว่าไม่มีอ็นไห้ศีราะทุกหายใจนอกจากใจเของม่มีเอ็นได้ีพัทวัดใจแต่ว่าในในอ็นได้ศีหนูเท่าใจใจศีพัทที่เสียแต่ตาของเขาจะเห็นใจก็ตามใจเฮ็ดขืนเงียเขาป ร, รับเขาปรปัดคือคนขับรถใจขับไปใช้ก็ตาม ดินน้ำไยล่มอยู่ในถ่ายรถมันอยู่ในอยู่ในรถมันกับว่ารับร่องครับดีกับเรื่องของเจ้าครับว่าดีกับเรื่องของเจ้าะไก่ก็คืองการผ้าปเพณีดีกับเรื่องของเจ้าะผ้าปเพณีว่าดีกับเรื่องของเกาะเจ้าสิเอาเกียนพันสัตว์เขาให้ไม่กินไอ้ควายตายคุณผ่นไอ้แตกไปเป็นข้าแต่กระจายกระจายตั้งที่เรื่องของเจ้าเพราะมันจริงถ้าคนรางกายว่รับพิดจอรกับใจไก่ผู้เดียว คือ ไ, ได้ครเพื่อนกกระดารคมคำไม่ไกลคำไม่กี่ยวคำม่นุ่งคำคำไม่มโนคำไม่จนหวานาัวหน้าเป็นหน้ายกทำทักษะวัตถุเจายนหลงมาหาใจสินหากำรม่ไกลตัวเดียวสินตัองหาคอนักเล่บบไปละเมิดทักษะเลยเป็นสินหาเป็นสินตัวเดียวโยนในใจหันเป็นเชือกหาเกี่ยวก้อกันยนให้นี่กอกับข้นเขายใเนี่สินแปดขั้นบกไปร่วงล้เมิดกันสินแปดเกี่ยวก้องกันอยนให้เนี่ พุทธทับสง ก, กองกันนี่นี่เป็น เ, เ, เนน 8, สืรร้อสมเกียว่เีนี่แปดมื่อนชีพรคันก็ยอลงมาเป็นเสื้อกเกวเดียวก็ได้เกียวอยู่นี่นง่ายใจพะใจพี่ลกพี่ลทั้งสามขายยาพี่ล็อกีพี่ลกมโนพี่ล็อรวมล็นีหมะล็กลงเเห็นอยอนี่ได้นี่วัดเนี้ยเออไปหาบัอื่ น, นอ่ะยิงตื้นมะขันแง่ขันแออกไปจากนี้ขันดึงมากขัมะคงอ่นี่ เงายออกไปทั่วใจโล ก, กระทาเนนะียฉีดเนื้อสิคิดไปทั่วใจโลกทากระทระั่งกันนึกออกจากคนพวกแม่นี่ละกตุยยนมากกรตมากคบพวกพวกแม่นี่ละนึกหรนึกซัวกัได้คอกมันจะ่นีมันออกจากคอเขอไปกึว่านี้สำนี้เนี่เดี๋ยวว่าพาคอัชตาถ้ำถ้ำภายในภยในถ้าถ้ำเนี่ยดึงออกนอกเรือยวว่าภายนอกเสียบไนอกเห็นคว่ำใจในปัจจุบันชัดควมตายเนียอดีนาคตของชาวท้องถิ่ละ เห็นอนิจจังในปัจจุบันทรัตย์อนิจจังในอดีตนาคคตกรประสงสัยเห็นทุกในปัจจุบันทุกอดีตนาคคตกประัสงสัยเห็นอนตาทัพย์ปัจจุบันไม่ใช่สายมใชบุคคลเป็นแต่สากูกเป็นแตาวกเห็นในปัจจุบันอดีตนาคตกปัรสงสัยเ่ปัญญานมันซองทะลุอดผู้เขาอดใต้ดินถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นนรกสิต๋วาสิกุงเทีนีหลาคนไหมอย่าี้ไม่มี นี่ะวะเห้อมู๊นี่แข่แว่าเราสบายเลยวะที่สารางพูดไทยพูดเล่าหนิสบายอาให้ดีมูโ๊โตคือแพรเปรียกพูส้สร้างมาล้างศาสร์รบภพแล้วเนี่ยเข า, าเข้มเฮงเขาเง้มเฮงเขาเมียเจ๋งอาให้มันดีให้มันพ้นห้าก็จะเอาให้พ้นขึ้นกันนั่นแหละให้มันดีตกพูดส้านกันนั่นแให้มันพ้น กระนของไม้เนี่ยของเก่าของเห่าค่อยแก้ค่อยตายมานีล่ะค่อยถือความเห็นค่อยนิรันรมานีควมเห็นเนพเกิดวแก่พกเ็บพวกตายพาามจมันจะหลักแก้หาแก้ห้เก็บหตายถ้ามาทรตบแก้หแก้หเก็บหายตายห้โหลให้กปวดหายหองแก้หาปันะว่าด้สมหวังเพาะสังขารมิได้สังขารในโลกอันนี้ สังขาร erm. โลกคือสังขารจันโลกโลกคือหมุสัตว์โอกาลโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่เทวโลกได้แก่กัตามาพัจนาหกชั้นก็ะผมมาโลกได้แก่ลูกอระผมหกชั้นและอลูกกระมสี่้นโลกทั้งหลายลกลงมาในสังขารโลกสังขารนาบรมาสัฒนาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเีย่าเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จําเป็นทุกอย่างยิ่งลูกขันนำขันเป็นทุกอย่างยิ่งลูกกายนำกายเป็นทุกอย่างยิ่งดินน้าไฟลมเป็นทุกอย่างยิ่งเวทนาทัญญาทังขารยินญาเป็นทุกอย่าง เมื่อเห็นทุกอย่างยิ่งแล้ว ก, กับพี่กับหน้าย่างยิ่งกับเบื่อนายย่างยิ่งกัรุดพ่นย่างยิ่งแบบเย็นๆทั้งตัวท่านเองมากระิงอีกที่ใช่ฮะศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติความรู้อชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไหวปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไหวโตเรามายุบันเดียวกันวดัดจะไปง่าย คือหนังเหนื่อยยังจะลูกอ่ะอาศัยกันอัญญาไม่อัญญเพื่กันได้กันรู้จำเป็นจริงปฏิบัติจำเป็นจริงขามทะเลหลงขามคว่ำหลงจากของจำเป็นจริงขามโรคกับขามคว่ำหลงจากของเอาปฏจจิบัติเป็นเหื่อเป็นแพร่เอาศีลสมาธิปัญญาเาร่วมในปั จ, จิบันในจิตปฏิบัต น, นธรรมเป็นเหื่อเป็นแพร่ เมื่อพ่นไปแล้วนี่ก็เรมบติดปัจจุบันกับบติดอดีตกบติดอนาคตกบติดปัจจุบันก็เป็นเจ้าักปัจจุบันอดีตก็เป็นเจ้าักอดีตอนาคตก็เป็นเจ้าักออนาคตบ่คอนบัติว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นซักเป็นพ่นเป็นของว่าทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตจงพิจารณาลงไปให้เป็นของว่าทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยสาคัญตัวอยู่ในที่ใดทั้งสินว่าน้อยวอกลพ่่ายวอกไรปากเปียมาเฮียนวซ่าใหนุก เบื้อนายบื้อนายความหลงจากของไห้เฮี้ยนวิชาเสมอเนี่ยวิชารอใครจะคของหลงมันเฮี้ยนเราเพราะแห้งเลยยีว่่่่่่่่่่่น่่ับ่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่อง่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ กิเลสมันขีหัวมันพังแห้งเลยบ้านเห็นบ่อเป็นบ้านไม่เมื่อมันสลามันดูไรมันหนีเดี๋ยวพําธรรมปฏิเก้าไป็นมาขีหัวกันวองสหฮารังเทีหฮารังขึ้นมากฮารเข้าคึกข้านอกมากเข้าอาปาว์ผมว่าเห็นว่าเป็นผีบ้าเลยสมมติเราพอพุทธพระธรรมาุสงฉี่รถเงี้ยวรถเขาไล่ฆ่าในหมกใจคืนกินพร้อมปวดหอก ราลได้รกได้ก ud no ็ดีถ้าคนละกายไร้ใจใจศียอมมหาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระริอาสทั้งหลายขี่รถเงารถทะเาร้ข้าเสียมุกใจอยทุกนาโมมีประมาณรูลได้เราลกได้ก็ดีอธิษฐานไหวกันสักเราลึกได้เราลกได้ก็ดีเลือดทุกยศกับเีือบุษซ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกนาโมมีประมานเพื่อคนทุกนะว่าตสงสารในปัจจุบันในสานี่ขาพเจ้น ปัจจุบันนศาสตร์คือมันปัจจุบันไงปัจจุบันนคิดปัจจุบันน่ะปัจจุบันนสอนลองทั้งป่านั่้วมาลองทั้งป่านั่นว่าอะไรว่าข้อพระองค์พรสู้คู่ยอมบุฏเจ้ี่ยโม่อ้ดีนี่ยกท้องแดงออกก้อนว่ยกท้องขาวออกก้อนบาเอาบาหันเอาท้องแดงเช็ดเียบเสียบล้างไว้ ันยกท้องเขาออกก้อนอะไรคนเอาท้องแดงว่าเน็บหลังไหเน้นๆ่นเอาลูกท้องแดงต่อสูงต่อสูพระเจาะยกออกท้องขาวน่องท้องขาวแยกออกท้องขาวยกท้องขาวงอไม่ปัุบันได้ใช้กับแม่ทห้องอันท่านสืบสู่สืบสมสายเพลินของี่กักขั้วมหรอกตอนนั้นพระเจาับซ้อตอนนี้พระเจากับรถซ้อนนันเสียว่ะไวะรถซสอนเฉียดววัดเครื่องเองข้าแ่กัมันเริ่มกลางพระองค์เจาประเทศวัดแล้ว พระเิเศหลายเรียนปัญ เ, เรศกษัตริ่์เล่มต่างพระเจ้าเวทเรื่องต่างต่างพญาสาวเวะแต่หางเล่มต่างของดีมไม่มาเื่งของครัวต่อแตเจตนาเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงศารคณะชิดหนึ่งดีก็เพื่มเพื่มในวัฏสงสารหลานหลานคณะชิต ยินดีในศาสนาพุทธขนาแค่ดเดียวย่งนียินดีก็ยินดีในศาสนาอื่นหลาดศาสนาคิดของข้าวอยู่นะ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่สมมม่วนอารมของผู้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปทั้งบุญมัดมันไม่ค่ยไปทั้งบาปอาลมณ์เบาคอนผู้ถื่าตายแล้วสูญบิบูบุญไม่บาปนี่จะสร้างบาปนี่สมม่วนพี่น้องเอยนั่นรับไปก็สร้างบาปฝัน่สาฝันวิบมบบาปไม่บุญบนี่เก่าน่ ทางตะพตะพืว่าอนั่นแหะโลกอัตารกผมมืดมืดเจนพวกของจักก็ไมีบาปไม่บุญทำไมถ้าใช้มืดมืดไม่มืดถ้าใมันยู่แผ่นฝ่าแผ่นดินสีได้โลกอัลตร้าโรกรอยู่นําหอใจ่นในปัจจุบันนี่ะมันมืดจนพวกของจัก็ไม่บาไม่บุญสมว่ามันโรกโรกอันตร้าโน้อกบอกาบอกเาูได้ว่าได้บอกร้ายเลยเหมือนบอกร้ายมันคนหาร้ายเหีดมันขืนอลัน มันเป็นการทดลองผมท่านคณะเชฟว่าท่านมาคอยดูอย่างว่ให้เป็นวาดวงกำยัเลยหรอว่าท่นง้ออย่างนี้หรอว่าเป็นวาดวงกำยังที่มันอวบวกังนี้จะไปพันพันได้บทํานเป็นทางนี้มิใช่หรอทีนี้เราตั้งใจบ่พรอบครอบการรอดก็ได้เอ้าเมื่อตัวกชฟว่าก็บอว่า <c oughs> ข้านองถึงพรนิภพาพเหมือนเขาไม่ได้กักตัไวไว้เลยแต่เขาใจว่าเขาม า, า, าทำวัดปู่ก็แต่หดังกับพิงเงียบพิงเงียบทุกสัปดาห์ข้านองถึงพระนิพพานเหมืโต ทังหดเพื่อพนธพานทูลรักการรักเพื่อ พ, นพนันธพ่านนภโมขันนอกนองฉันพัิธุ์พ่านเหรเอ๋า ้านั่งพลอนั่งานั่งพานั่งพานั่งนทราบนี่นีทราบนี่นี่ทราบนี่มาเก็แกะเก็บส้อีกน่มอามพออะไเเขาอีเออันทั้งนีอัน้งนี่มาอันงนี่เอามาเอาอียงมาใช่ตัวเช่นมันยิ่งได้เช่นคุณยิ่งกี่เช่นยิงเงบเช่นมันคุย่งเช่นออกมาวันดียวหาเากเช้นกกรเช่น อาหารจะเค็เนาอาหารเนาอาหารต้องกินะองหาเค็มได้เค็กว่าแบนี้เค็มเค็มัวกตะปูนอะรโาอรนี่นี่นี้าังนี่้านั่งนี่้านั่นาตาชนะพันธ์ผาเนนั่นเาเคยิดายอีกเอนีผ้าไม่ผ้ามผ้าทวัดพันธุัผ้าทวัรพัธุ์้า ท่อวัดเกลือปีไปคนย่างห้าเออจะตังอะไรไปไม่ทำเนี่ยมาเลยเช่กับเ่นทงท่มันเโัวโม่ัวาลงได้ผาลงได้ผาลงรับ่าคไ้ยัพพรภารวันับเพื่อบุษรลรัันรับเพื่อเล็บอ่าไม่า่าวบุาพนนภาคเทียา รับกาไคออันนี้ว่ามันม่อนกุ้งเทปบ่น้องพร้อมมามฟงฟงออกไหแลรวพูดเนาะอออยู่ขงอส า, านาแล้วเออนก็ต้องฟังออกสิอ <c oughs> ีสานนนแล้ว <c oughs> เ ย, ว<ๆ>ย็นจ้ยอนขวน้นี่โนขนว พระเทระพระเทระบืองต้นสุอพระชมาลพระพุทธเจ้าขันฑีสองพอพระเกศขันทีสามพระอันทันตาคีลาศัณที่สี่พระอาณาคามีขั้นที่ห้าพระเจาคามีชั้นที่หกพระโสดาบันเบื่องบนพวกเราทั้งหลายได้ทาผิดของท่านด้วยกายกรรมสามวิธีกรรมสี่โมหกรรมสามอะไรหนึ่งพดีด้วยเดียแถวพระมหเทะทั้งหลายเหล่านั้นต้องสมโอทัศนให้แก่พวกเราอยู่ทุกวันมีประมาณ เพราต้องพ้นจากเบทุกทุกส่วนทกโลกเขงเรีนเขาไปเขาบอกอันตรายใดๆยิ่งๆขึ้นไปเป็นถึงที่สุดทุกเหมือย่างหรือทุกหน้าทุกคนหน้าตืินในระหว่างพวกเราทั้งสองฝ่ายก็ดีทุกอยู่ทั้งไปโรกกับขาก็ดีต่างทําผิดกันด้วยกายย่อคำสามนาทีคำเดียวหรือคำสามอะไรหนึ่งก็ดีทั้งอดีตก็ดีทั้งอนาคตก็ดูพวกเราทั้งหลายทีาทงไปโลคาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกตอนหน้าอยู่เลยทุกเมื่อผลสุดท้าย พากเราทั้งหลายเลิกได้ไม่เกได้พอดีด้วยเด็กคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันาประมาณไม่ได้จงประสบแจ่ความฉุดความเจริญในมรรคและพระศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆด้านทุกๆมุมในทางที่ชอบอยู่ทุกเมื่อมีประมานั่นเธออะรอ่างเงี้ยเดี๋ยวจะจะท้าวีว่าพูดอะไรกยัติดต่อว่าอยู่ไปก ท่ให <glorious> ้นี่ยคำน้วิเศษเี่ยก็ตมควือ่วางว่าตีตวทรกาตอนเ่มุตาตระยา n ุมาวอาว